ธรรมะหมดแปดตอนนั่นนะธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมแปดประการนั่นนะก mm hmm. ุสีตาวัตถุแปดกุศีตะเนี่ย น, นะแปลว่าขี้เกียจนั่นเองวัตถุแปลว่าเหตุแปลว่าหาเหตุจนขี้เกียจอ่ะแปดอย่างแต่มันก็หน้าขี้เกียจจริงนะจริงะนะพิจารณาตามเหตุแปดแล้วก็มันหน้ามาคือเพราะปกติชาวโลกเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์แปดประการนี้ปั๊บจะต้องขี้เกียจนะ มีข้ออ้างเพื่อที่จะลา ง, งานก็ได้มีข้ออ้างเพื่อที่จะคนอื่นตําหนิไม่ได้แล้วเหตุแปดประการเนี่ย น, นะครับพระภิกษุก็อาศัยเหตุแปดอย่างแล้วก็ไม่ต้องเจริญกรรมฐานอะไรนะสบายแล้วไม่มีใครตําหนิเราได้แล้วหาเหตุเหมนกันเถอะเหตุตัวนี้แปลว่าเลดก็ได้เลดเพื่อที่จะไม่ต้องเจริญกรรมฐานอะไรเพราะความในทุตรศุลนะ ข้อ448หน้า43กล่าวถึงธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม8ประการคือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียรคร้าน8อย่างวัตถุตัวนั้นแปลว่าเหตุดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายการงานเป็นสิ่งอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกระทมเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าการงานเนี่ย จักเป็นสิ่งที่เราควรกระทำเมื่อเรากระทำการงานอยู่ร่างกายเนี่ยจักเหน็ดเหนื่อยช่างเถิดเราจะนอนเธอนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่คือเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่หนึ่งแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจาได้ตอนจะทําสร้างทำศาลา แล้วก็แบกหินแบกปูนแบกทรายแบกเหล็กนั่นนะแล้วก็ทํา ท, ท้อทําทําทํามากเออมันก็มันก็ควรแก่การพักผ่อนหาเหตุก็เอานอนซะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีแรงทําต่อขออนุญาตกล่าวทำนิดนึงนะครับเพราะฉนไอเนีปถือว่าเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านนะนั่นถ้าใครมีงานยุ่งๆนะเอาสิ่งเนี้ยเป็นข้ออ้างแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องศึกษาธรรมะหรือไม่ต้องเจริญกุศลธรรมหรืออะไรหาเหตุผลต้องไม่เจริญไม่ต้องเจริญน่ะนะก็คืออ้างว่างานมากงานยุ่งเนี่ยนะอันนี้เป็นข้ออ้างเป็นอย่างดีเลยน ะ, ะคาว่าเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเนี่ยนะเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทาให้แจ้งหมายถึงฌานวิปัสสนามกผลนั่นเอง คือไม่ตั้งจิตเพื่อจะเจริญฌานไม่ตั้งจิตเพื่อจะเจริญวิปัสสนาหรือเพื่อที่จ ะ, ะปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลเนี่ยนะอปตัสสะอนัธิกตัสสะแล้วก็อะสัชิกตัสสะเนี่ยนะคือฌานวิปัสสนามรรคผลนั้นเป็นสิ่งที่ที่ยังไม่ถึงแต่ต้องทําให้ถึงถ้ายังไม่บรรลุก็ต้องทําให้บรรลุถ้ายังไม่ได้ทําให้แจ้งก็ต้องทําให้แจ้ง ทีนี้ก็อาศัยว่าอาอางมามีงานเข้าก็เลยไม่ต้องนะเอาไว้ก่อนนะเชานก็เอาไว้ก่อนสัพพทวิปัสนาเอาไว้ก่อนมรรคผลยังไม่บรรลุไม่เป็นไรติดก่อสร้างอยู่นะติดงานยุ่งอยู่เหมือนกันเถอะว่ายังไม่ต้องฟังทำก็ไม่เป็นไรไม่อ่านหนังสือก็ไม่เสียหายอ่นะก็หาเหตุผลจนไม่ต้องไม่ต้องเจริญกุศลมีข้ออ้างแล้วอันนี้ภาษาธรรมะนี่เรียกว่ากุศิตาวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียรครานเลยนะ เรามีข้ออ้างจนไม่ต้องทำบุญอีกข้อหนึ่งการงานเป็นอันอเป็นสิ่งอันที่สุขกระทําแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้กระทําการงานแล้วก็เมื่อเรากระทาการงานอยู่ร่างกายเหน็ดเหนื่อยแล้วช่างเธอเราจะนอนเธอนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุหรือเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งงแห่่คความเกีียร้้ขอท คือทำงานจนเสร็จอ่ะนะพอเสร็จงานเข้าก็หมอยากจะพักผ่อนสั ก, ก่อนสักวันสองวันก่อนใช่ไหมหมที่งานเนี่ยกว่าจะทําเสร็จเนี่ยมันเนหน็ดเหนื่อยมากเพราะงานบางอย่างเนี่ยมันทําติดติดกันเนี่ยเป็นเดือนๆนในชะ่กว่าจะเสร็จอ่ะนะบางก็ไอตอนทํางานนี่ก็อ้างอย่างหนึ่งแล้วว่าไม่ต้องเจริญกรรมฐ า, านหรอกเหมือนกัน เพราะว่าตอนนี้เรากําลังทํางานอยู่นะข้อหนึ่งนะพอข้อสองพอทําเสร็จแหมทาเสร็จใหม่ๆมันก็ต้องพักผ่อนกันหน่อยนะก็เลยเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเจริญเลยกุศลธรรมเนี่ยนะหาข้ออ้างจนไม่ต้องเจริญสมถาวิปัสสนาเนี่ยนะเคยนี้ไม่เวลาทําอะไรเหนื่อยๆกันนะเหนื่อยตอนทํามันก็เหนื่อยนะขอพักผ่อนซะกก่อนนะงนั้นเถอะศึกษาธรรม ะ, จะเจริญกุศลนะี่เอาไว้ก่อนนะผู้กลางทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นนะ พราว่าดูว่าฟ้าเท่าที่ฟังอะนะคนใกล้ชิดเล่าว่าเพี้ยนแล้วเกินเหนือ น, นหมอบอกไปตายว่าผู้การไม่อยากไปผู้การเท่าไหร่ท่านนอนห้องเดียวกันน่ะตื่นอ่านหนังสือตีสามว่างกันเห็นแล้วก็บบเขาแมบแแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับตาเน็บอยู่กันอข้อสยอยู่นนี้คือจริงๆแล้วบางอย่างบางทีมันอยู่น้เอาก็คือเรามีเหตุผลยนได้อะนะพูดถึงว่า ไอ้ความความเหน็ดเหนื่อยนี่นะถ้าหากว่าถ้าเราถ้าร่างกายเราล้ามากนะแล้วเราไปเจริญความเพียรนี่มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันอาจจะเป็นเฉพาะคนมีอายุก็ได้นะคื อ, ค, อคือมันมีเหตุผลจนไม่ต้องเจริญเหมือนกันแต่เรียกว่าหาเหตุผลจนได้นะแล้วไม่มีใครตําหนิด้วยก็เลยอีกคนหนึ่งเขา <c oughs> เขาอาศัยเหตุนี้เขามาเจริญความเพียรนะนะแต่เอกเจ้าหนึ่งก็บอกหมามันมันสมเหตุสมผลนะที่เราจะ <c oughs> ไม่เรียนก็ไม่เป็นไรใครก็ตําหนิเราไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะ ก็ก็อย่างท่านก็บอกอยู่แล้วว่ากูสีตาวัตถุใช่ไหมเหตุแห่งความขี้เกียจอ่ะนะอาศัยเรื่องเนี้ยเป็นข้ออ้างแล้วก็ขี้เกียจขึ้นอทํางานเสร็จแล้วพักสัหน่อยอย่างเงี้ยนะ <liber i> อ่างจริงๆแล้วมาดาคําสอนคําสอนมีตั้งเยอะแยะไปหมดมันพร้อมที่จะเจริญอ่ะนะคือสมมติว่าอา้าวเหนื่อยเหนื่อยก็ไปเจริญกรรมฐานที่ตอนตอนเหนื่อยมันก็มีกรรมฐานที่เหมาะกับการเหนื่อยใช่ไหมอานาปานสติเป็นต้นเนี่ยนะกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่พอที่จะเจริญได้ในระหว่างที่ เน่าแต่ก็มีข้ออ้างจนไม่ต้องเจริญอ่ะอะไรเงี้เอาไว้ก่อนฮะปล่อยให้โมหะมันกลุ่มรวมไปก่อนนะถีนมิทะเจริญให้มากๆกกันนะแล้วก็ว เ, นเนี่ยเนี่ยนไม่นอนคนนอนเขาก็เอาละสุขในการเอกขนเนกสุขในการคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรเงี้ยเธอสุขในโภภพธิภะนั่ะน นี่ข้อต่อไปนะอีกข้อหนึ่งที่สุจะต้องเดินทางเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ร่างกายจากเหน็ดเหนื่อยช่างเถิดเราจะนอนเธอนอนเสียไม่ปราลบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่สองเออข้อที่สามมันก็หาเหตุใช่ไหมพุ่งนี้เราจะเดินทางแล้วคืนนี้เราต้องรีบพักผ่อนให้มันเต็มที่ก่อนใช่ไหพุ่งนี้เราจะเดินทางแล้วอย่างนั้นไหม นั่นก็เลยเหยียดนี้งก็ไม่ต้องอ่านก็ได้พระไตรปิฎกกรรมฐานยังไม่ต้องเจริญก็ได้เราต้องพักผ่อนแต่หัวคำ่ำไหมนะตื่นก็ตื่น้ายๆหน่อยก็ได้เพราะพวกนี้ต้องเดินทางอ่ะนะนั่นก็หาเหตุผลจนไม่ต้องเจริญกุศลเัมนกันแสรุปว่าหาเหตุข้อมูลยังไงให้มันไม่ต้องเจริญกุศลแล้วก็ใครก็ตําหนิไม่ได้ตัวเองก็ตําหนิตัวเองไม่ได้ใช่ไหมมันสมเหตุสมผลแล้วก็เอาละอันนี้ก็ข้อที่สาม นะนคิดนะว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินทางแล้วป ร, รือ น, นี้จะต้องเดินทางเราก็ต้องมวัวแต่ทำโน่นทำนี่นะครับพักผ่อนให้เพียงพอ่า น, านอยีเป็น ศ, ร, นศ ร, รื่องนี้ก็เรื่องถ้าว่าตรงๆก็เรื่องด่าอยู่แล้วเนี่ยก็เอ า, เอามาด่า <c oughs> ว่าว่าทําไมประมาทอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าหาเหตุผลจนไม่ต้องเจริญกุศลเนี่ยนะมันะนะทางแห่งความเสื่อมนะถ้าพูดแบบภาษาเราเราก็เลยเนี่ยถูกด่าแล้วเนี่ย มเอานะเราก็เิวหนังมันแตกต่างกันมากนี่ข้อต่อไปนะอีกข้อหนึ่งภิกษุที่เอาไปบินทบาทอืมขอไปภิกษุเดินทางไปถึงแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเนี่ยได้ได้เดินทางมาถึงแล้วก็เมื่อเราเดินทางมาอยู่ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้วช่างเถอะเราจะนอนเธอนอนเสียไม่ปรารถนา ไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอันนี้เป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความตั้งแห่งความเกียรตคร้านข้อที่สี่อันนี้เห็นชัดนะหมไปอินเดียนี่เห็นชัดมากบอกหมายถ้าจับสุดบอกว่าอา้าวจะสนทนาธรรมกันนะหายเงียบหมดนะนะจะมีก็คือคนชวนนั่นแหละ คนที้เหลือก็อาพักผ่อนเพราะเดินทางเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเพราะฉะนั้นขอพักก่อนพรุ่งนี้จะต้องเดินทางอีกแล้วเหมือกนกั น, น, นก็ผู้ที่เดินทางอ่ะนะผู้ที่เดินทางอ่ะหลังจากเดินทางใหม่ๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะหลังจากการเดินทางกลับมาเนี่ยนะอ่าใครเดินทางไกลๆบ่อยๆเนี่ยจะพอจะรู้ใช่ไหม ว่าเอ๊ะหลังพอเดินทางไปถึงเสร็จเนี่ยจะคิดยังไงต่อไปเห็นไไม่แน่นะอันนี้พูดถึงคนเกลียดคราสนะหาข้อหาเหตุผลจนต้องต้องนอนอ่ะนะพักผ่อนซะหน่อยอย่างนั้นนะที่จริงก็หมดเวลาไปอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะขณะที่พักผ่อนแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็หมดเวลาไปแต่ละทีแต่ละทีเนี่ย ช่วงเดินทางนี่มันก็มีเหตุผลที่อ้าวได้เวลาสมควรนอนแล้วว่างั้นเดินทางมาเหนื่อยอย่างนั้นแล้วก็คนอื่นบางทีก็ก็ส่งเสริมเนี่ยนะอ้าวก็เดินทางมาเหนื่อยพักผ่อนสัหน่อยนะว่างั้ น, นคนอื่นก็เชียร์เราก็เห็นด้วยก็เลยพอดีเลยนะต้องพักผ่อนแล้วว่างั้น อีกข้อนหนึ่งที่สุไปเที่ยวบินทบาทยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้ามองหรือประนีตพอแกความต้องการเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไปเที่ยวบินทบาทยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแกความต้องการ กายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่ควรแก่การงานช่างเธอเราจะนอนเธอนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่เป็นเหตุคือเป็นที่ตั้งแห่งความเกียรคร้านข้อที่5้าวันไหนไปบินธบัอาหารไม่ได้เลยนะหรือได้มันหน่อยเดียวไม่พออิ่ม อ, อู้ได้เหตุผลนอนเลยอาหารก็ไม่ค่อยพอเพราะฉะนั้นต้องพักพักผ่อนเลยแต่ไปเดินวงกลมนั่งกรรมฐ า, านมากเดี๋ยวมันจะเหนื่อย เพราะฉะนั้นก็ได้อาหารมาไม่ไม่มากฉันนิดหน่อยก็พอแล้วพักผ่อนให้มากมากว่านั้นเพราะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าวันไหนไม่ได้บินธบัติวันนั้นนอนทั้งวันมาเพราะนั่นก็ได้ได้เหตุผลที่จะนอนได้ยาวๆว่านั้นเพราะอาหารไม่พอเนี่ยนะเหตุผลคี้บอ้างอ่อนเพลียบ้างอ้า ง, างเหนื่อยบ้างอ้างพอไปเดินบินธบาติบางทีไปถ้าลักษณะบินธบาดไม่ได้อาจจะไปบินธบาติไกลามากเลย ไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาเขาก็เหนื่อยโอ้พักท่านหน่อยกำลังดีนะก็บอกว่าหิวก็อ้างทีนี้อิ่มอีกก็มีปัญหาอีกนะไม่ใช่ว่า <c oughs> อีกข้อหนึ่งพิสูจน์ไปเที่ยวบินธบาตยังบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศ้ามองหรือประณีตพอแก่ความต้องการแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไปเที่ยวบินธบาตยังบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้ามองหรือประณีตพอแก่ความต้องการแล้ว กายของเรา น, นั้นอ่ะหนักเหมือนถั่วทองคือเรียกว่าถั่วราชมาศ ถ, ถั่วทองที่เขาหมักไว้ไม่ควรแก่การงานนะนะมันอืดไปหมดเลยฉันก็หวงจะบอกใหม่ฉันขา้นเขาเหนียวเนี่ยอืดไปหมดเลยอย่างนั้นอ่ะนะไม่ค่อยย่อยเพราะปกติเรากินข้าวเจ้าไม่เหมนนี้ฉันเข้านึ่งหนักไปหน่อยอย่างนั้นะนะก็อ้างแล้วก็นอนอย่างนั้นช่างเถิดเราจะนอนแต่ก่อนให้อาหารมันย่ยอย เพอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุษธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่เหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดคร้านข้อที่หกอ่ะนะ น, น, นั่นว่ากินอาหารเรวกินอิ่มพอแก่ความต้องการแล้วก็หนังท้องตึงอ่ะนะหนังอื่นมันก็หยอนะ่อนอ่ะฉะนั้นก็โอ้ยหนังสือนี่คำตาที่มันหนักไปหมดเลยนะแต่บอกว่าเหมือนช้างล้มทับสักตัวหนึ่งเหมือนมันโอ้ยมัน ทุกร้อนไปหมดอ่ะนะพวกก็ท่าอย่างงี้เขาว่าแก้ให้ไปเดินจงกรมมีพระรูปหนึ่งท่านง่วงมากอ่ะนะเสร็จแล้วท่านก็ไปเดินจงกรมเดินไปเดินมาล้มแผลแล้วนะนะตื่นขึ้นมาเจริญกรรมฐานต่อบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะคือคือเพียรมากนะแสดงว่าท่านอดหลับอดนอนอาจจะหลายราตรีมาแล้วง่วงง่วงก็ไปเดินขนาดเดินยังล้มเลยนะตื่นขึ้นมาเจริญต่ออีกบรรลุเลยนะแสดงว่าอัธยาศัยท่าน ตั้ไวสูงมากแต่นี้ก็ของเราก็หาเหตุผลจนต้องนอนนะนีก็สังเกตดูนะวันไหนที่เราไม่เจริญกุศลเนี่ยนะวันไหนที่ไม่อ่านพระไตรปิฎกวันไหนที่ไม่เจริญรนิพพานะเราจะหาเหตุมาปลอบใจตัวเองจนสมควรเน่ยนะนะว่าเออไม่เป็นไรนะ่ะยังไม่เตี้ยหายอย่างนั้นเถอะอีกข้อหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกษุเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ความสมควรเพื่อจะนอนเนี่ยมีอยู่ช่างเถิดเราจะนอนเธอก็นอนเสียเนี่ยหมายว่าได้เหตุแล้วเหมาะสมแล้วเพราะมันป่วยนี่เหมือนกันเนี่ยก็เลยไม่ปราลบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้เป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่เจ็ด นะอ้างเออตอนนี้ป่วยปวดนั่นปวดนี่ก็หาข้ออ้างมาจนมีปัญหานะว่าอ้าวไม่ไหวแล้วสุขภาพไม่ดีนะเป็นทางโลกก็ลางานได้เลยใช่ไหมพอมันป่วยปุ๊บไปก็เรียกว่าหาเหตุเนี่ยทางโลกนะหาเหตุลางานได้สบายๆอันนี้ก็หาเหตุเพื่อที่จะไม่ต้องเจริญกุศลได้แล้วอีกข้อหนึ่งที่สูญหายอาพาธแล้วหายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม่นานเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม่นานกายของเรานั้นยังมีกําลังน้อยไม่ควรแก่การงานช่างเธอเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปราลบความเพียรเพื่ อ, อเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อไม่ทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่คือเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดครั้นข้อที่8อ่างหายป่วยใหม่ๆช่วงนี้กําลังพักฟื้นอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งความเพียรอะไรอย่าไปเจริญอะไรมากคอยให้กายมันแข็งแรงก่อนอย่างนั้น ช่วงนี้หายไม่มายอย่างนั้นค่ะสมควรกับเหตุผลนะคุณเลาวันนะทั้งแดข้อนี่นะฟังแล้วดูดีหมดเลยเพื่อที่จะต้องไม่ต้องเจริญเนี่ยใแต่ข้อนี้มาแย้งกคนดีชอบแกะไขคนอะไรมันชอบแกตูดีนะแส ด, ดงว่าเ ข, าข้าใจสูตรนี้ก็ใช้ได้แล้วดงนี่แล้ววันได้อัดอนนี้ไปแล้ ว, วอย่างนี้แสดงว่านุญาบการนอนไม่เหมาะกับการทาเทย ก็สังเกตดูว่าอิรยาบทไหนเจริญที่สุดะนะเนออันนี้พูดถึงว่าอะหาเหตุผลจนต้องถีนามิทะกลุ่มรุมแล้วก็หลับไปเลยนะคอออิรยาบทที่เขาไม่สรรเสริญเลยคืออิรยาบทนอนในในโลกนี้นะไม่ต้องในศาสนาหรอกทางโลกเนี่ยใครใช้อิรยาบทนี้มากกว่เพื่อนนี่ก็ในบ้านนั้นนะเขาก็จะเขามีใครชมมเออคนนี้ขยันนอนจริงๆอะนะดีแล้วนอนให้มากๆดีนอนเนี่ย แต่ถ้าใครไม่ค่อยหลับค่อยนอนนะนั่งอยู่ได้ดูทำโน่น ôn, ทํานี่ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเขาจะ oh, โอ้โหขยันมากพักวันนั่งเลอะอันนี้เขาจะขอร้องนะแต่ถ้าบอนอนมากๆวันหนึ่งทั้งวสิบสองชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวคนนั้นจะถูกด่าที่สุดในบ้านเป <Okay. S 1> ็นคืกว่าขนาดโลกโลกที่ทั่วๆไปนะเขาก็ยังไม่สรรเสริญในอิริยาบถอันนี้เลยถ้า okay. ไ, อไอ้จริงถามว่าเจริญได้ไหมได้ แต่ว่านี่มักจะเจริญไหมตอนตื่นเต้นใหม่ๆก็ตื่นใหม่ๆอันนี้ก็สำหรับบางคนนะถ้าเป็นคนที่อายุยังน้อยหน่อยนะอายุไม่มากนะถ้าตื่นใหม่ๆแล้วก็คิดเจริญตอนนะหลับฝันไปอีกเรื่องไปแล้ว <c oughs> ตื่นใหม่รอบอ้าว <c oughs> นี่ก็หาเหตุสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียรคร้านเนี่ยนะ คือเหตุเพื่อที่จะไม่ต้องเจริญกุศลหาข้อหาเหตุไม่ต้องเจริญกุศลแต่คนในโลกนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้ามีห น, นึ่งในแปดเนี่ยไม่ต้องไปชวนคนนั้นศึกษาคําสอนเลยนะชวนยากมากถ้าเขาได้ห น, นึ่งในแปดเนี่ยนะโดยทั่วๆไปแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนั่งอัดข้อหนึ่งโอ้ช่วงนี้งานยุ่งมากข้อสองโอ้ช่วงนี้กําลัง ทำงานเสร็จใหม่ๆว่าเหนื่อยมากเหมือนกันช่วงนี้กําลังจะเดินทางเหมือนกันช่วงนี้เพิ่งเดินทางมาถึงใหม่ๆอย่างงี้ยช่วงนีอ้อาหารก็ไม่ค่อยพอนะช่วงนี้อาหารไม่ค่อยย่อยเลยเหมือนกันหาเหตุผลจนไม่ต้องเจริญกุศลนะนะแต่ถ้าอยู่ใครอยู่วงการเนี่ยจะเห็นชัดนะข้ออ้างเนี่ยมีอยู่แปดข้อนี้แหละไม่เกินนี้หรอกนี่นนะแล้วก็บอกว่าเอาให้ก่อนเหมือนกัน ส่วนเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเนี่ยนะคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความวิเศษเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งเกียดคร้านอีกคนหนึ่งเพียรเนี่ยนะก็เหตุการณ์เดียวกันอนะอยู่ที่ความฉลาดคิดหรือไม่เพราะฉะนั้นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเนี่ยนะมีแปดอย่างเรียกว่าอารพะวัตถุคือเหตุเป็นที่เหตุเป็นที่ปรารบความเพียร ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายการงานเป็นสิ่งอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกระทำเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าการงานจะเป็นสิ่งที่เราควรกระทำก็เมื่อกระทำการงานอยู่ค ว, ความกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่กระทำได้โดยง่ายช่างเถิดเราจะปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้ง ธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเธอปรารบความเพียรเพื่อถึงธ ร, รรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่1รู้เลยว่าช่วงข้างหน้าต่อไปจะมีงานขึ้นะน ะ, ะถ้าจะมีงานเนี่ยช่วงจะทําการงานอยู่เนี่ยปกติคนที่ทําการงานเนี่ยระหว่างจะทําการงานอยู่เจริญกุศลไม่ได้มากอยู่แล้วเนี่ยนะคิดถึงคําสอนเนี่ยยาก ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องรีบเจริญให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าพอเวลาทํางานจริงๆแล้วเจริญยากมันตอนนี้ก็รีบเพียนเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะนะครับอาศัยเหตุการณ์เดียวกันอะคนนี้เพียนรีบเพียนเลยตั้งแต่แรกเลยนะก่อนที่จะทําการงานอันนั้นเอาถามว่าพระนี่จําเป็นด้วยหรือต้องทําการงานนะนะบางช่วงนี่ก็ต้องทําถ้าถ้าเป็นอยู่ของสงนะนะอยู่ของสงเป็นอย่างนั้นเพราะกุฏิบางทีก็ต้องบูรณะเนี่ยนะ วิหารหรือเจดีย์ที่เสียหายก็ต้องบูรณะแต่แต่พระองค์ก็ตำหนิที่ไอริเริ่มก่อสร้างสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยอ่ะแต่ทำว่างานในที่นี้หมายถึงการบูรณะการอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเพราะจำเป็นจะต้องบูรณะเนี่ยนะถ้าไม่บูรณะพระองค์ก็ตำหนิเนี่ยนะตำหนิที่ที่ไม่ดูแลไม่รักษามันก็เป็นเหตุที่จะต้องทำการงานเหมือนกันทีนี้ถ้าทำการงานก็ต้องเนี่ย ครที่รู้ว่าจะทำการงานต้อบรีบปลารบความเพียรไว้เลยรีบเจริญกรรมฐานเพราะว่าตอนทำการงานเจริญยากอะ่ะ <c oughs> อีกข้อหนึ่งการงานย่อมเป็นสิ่งอันพิสุกระทำเสร็จแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้กระทำงานเสร็จแล้ว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 ก็ถ้าทําการงานเสร็จนี่ก็เห็นชาติเลยโอ้โหที่ผ่านมานะร่วกช่วงทําการงานนี่อกุศลมันเจริญมากหรือว่าเจริญกุศลได้ไม่เต็มที่กระท่อนกระแท่นเต็มทีในระหว่างทําการงานเพราะฉะนั้นนี่งานเสร็จก็ดีแล้วจะได้เจริญกรรมฐานมีเวลาเป็นของเราแล้วเนนะเพราะช่วงนี้ว่างพอที่จะเจริญกรรมฐานได้อย่างยาวเพอาศัยเหตุผลที่กุศลไม่ค่อยเจริญที่ตอนทําการงานอะ่ะอันนั้นแหละมาหักล้างว่าช่วงนี้ต้องรีบเจริญนี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 เธอปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่สคือผู้ที่เดินทางเนี่ยนะรู้เลยว่าใช่ไหมว่าพรุ่งนี้เป ร, รื่นนี้หรืออีก3าสี่วันจะเดินทางเนี่ยอันไอ้ช่วงระหว่างจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่เจริญความเพียรเนี่ยยากเพราะว่าระหว่างเดินทางนี่ก็ยากนะที่จะจะเจริญกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างเดินทาง ที่จะเจริญฌานวิปัสสนามากผลไม่ใช่เป็นสิ่งทำได้ง่ายในระหว่างการเดินทางเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางนี่รีบทำความเพียรเอาไว้ก่อนนะนะอีกข้อหนึ่งหนทางที่ภิกษุเดินไปถึงแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางมาถึงแล้วก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ไม่อาจากระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายชางเถิดเราจะปรารบความเพียร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 กุศลไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วเนี่ยนะถ้าปล่อยให้อา ก, กุศลแบบนี้เกิดต่อไปอีกเสียหายแน่หรือกุศลถ้าไม่เจริญอย่างนี้ก็เสียหายเพราะฉะนั้นได้เกิดวันเดินทางมาถึงนี่ก็สมควรแลที่จะต้องเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นให้มากขึ้นเนี่ยนะอีกข้อหนึ่งพี่สุปไปเที่ยวบินธบุรียังบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้ามองหรือประนีตพอแก่ความต้องการเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวไปบินทบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนาะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั่นเบาควรแก่การงานช่างเถิดเราจะปรารบความเพียรอาศัยที่อาหารน้อยนะเออนี่ดีเหมือนกันนะกายเบาอ่ะนะเพราะปกติอาหารมากกว่าชั้นแล้วก็มักจะง่วงเออเนี่ยเบาดีแล้วจะได้เจริญกรรมฐานให้มากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นช่างเถิดเราจะปราลบความเพียรใช่ไหมได้กายเบาอ่ะนะ สุขภาพเบาๆแบบเรียกว่าโลง่ลงๆเบาๆสบายๆแบบนี้ยากเต็มที่เอาอย่างนั้นไหมวันอุโบสถตอนค่าๆเหมนะหิวๆตอนนั้นนะ่ะเบาแล้วเนี่ยเหมาะแล้วที่จะเจริญกรรมฐานเนะีปาัรุอย่างนั้นหรือ่าถ้าปารักว่าอนุโมทนาด้วยนะเออช่วงนี้กายมันเบาอเพราะไม่ได้รับอาหารเย็นอย่างนันมันก็เลยเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่แหละสรุปคือเจริญฌานวิปัสสนามกผลนะนะ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 เราเนี่ยเที่ยวไปบินธบารยังบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประนีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นะ่ะมีกำลังควรแก่การงานช่างเถิดเราจะปรารบความเพียรนะนะ่ะโอ้ฉันอิ่มวันนี้ค่อ ย, ยังชั่วในสดชื่นมีร่างกายกระปี้กระเป๋าาละเจริญกรรมฐ า, านได้นะได้เวลาได้เหตุได้ปัจจัยที่จะต้องปราลบความเพียรนะ เพรานะาไม่แน่ถ้าเกิดอาหารไม่ดีไม่พอนี่เราจะเจริญยังไงเพราะตอนนี้อาหารมันดีก็ได้เวลาแล้วที่จะต้องเจริญให้มากมากเพราะฉะนั้นก็ปราลบความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเธอก็ปรารบความเพียรอย่างที่กล่าวไปอีกข้อหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่พิสุเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ข้อที่อ า, าพาธของเราเนี่ยจะเพิ่มะจะเพิ่มหรือจะเพิ่งมากขึ้นเนี่ยเป็นฐานะที่จะมีได้ช่างเถิดเราจะปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอนะก็ะพอสุขภาพเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งนิดๆหน่อยๆเนี่ยบอกอสมควรที่จะต้องเจริญความเพียร น, นะจะไปอีกไม่นานนมันอาจจะ ก, กําเริบ ม, มากขึ้นมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรีบเจริญไว้ก่อนตอนที่มันยังป่วยน้อยๆอ่ะนะ ไปรถแบบพุกการ์ตนาได้เออไปอินเดียเนี่ยก็เกิดปล่อยไปอีกสองสามปีไปไม่ได้จะไปทำยังไงอย่างนั้นก็รีบไปซะก่อนตอนที่ยังพอแข็งแรงนะอ่าดีละว <c oughs> ลักษณะนั้นนะคือหาเหตุจนต้องเจริญกุศลนั่นนะอันนี้เขาเรียกว่าหาเหตุมาเพื่อจะเจริญกุศลมาใช่ว่าหาเหตุก็บอกเอออายุมากแล้วอย่าไปมันเลยเป็นภาระแก่คนอื่นอ่างโ น, น่นอ้างนี่ก็เอออยู่เนี่ยสบายแล้วไม่ต้องไปทํากุศลมันล็อกเห่างนันหาเหตุผลจนไม่ต้องทําอะไรอ่ะนะ เป้าบ้านแหละว่างั้นเถอะบ้านก็ไม่มีใครเช็ดคนนั่นก็ไม่มีใครกวาดเข้ากม็มีใครให้ใหมาว่างั้นก็ว่าไปหาเหตุผลจนไม่ต้องทําบุญอ่ ะ, อะปล่อยมันไป <c oughs> อันนี้ก็ดีละที่หาเหตุผลจนได้ต้องทําบุญอ่ะนะก็คือเหตุการณ์เดียวกันอีกคนหนึ่งหาเหตุจนไม่ต้องทําบุญอีกคนหนึ่งใหม่จะต้องทําบุญในเหตุการณ์เดียวกันเนะี่ยนะก็แล้วแต่ใคร <c oughs> แล้วแต่ธ า, าตุะนะเขาบอกว่าธาต ปราลบความเพียรหรือว่าธาตแห่งคนเกียร์ครั้นเนี่ยก็ดูเอาจากธาตุพวกนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะอารัปธาตุนิกรรมธาตุประกรรมธาตุพวกนี้ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งไอพวกขี้เกียร์เกียร์ครา้นมันก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะกุสีตะธาตุอย่างเงี้ยธาตุไม่คยธาตุนี้ไม่ค่อยดี